วันออกจากพราราชวั น, นอันนี้เราบังศึกษาประการนำนะอันนี้มรีของซึ่งมีความหมายมากใ น, นกางการท่ามากมาร์นประจนก็ยาวโบวดบางโบดเขาว่าลร่มมารชุกมือห้ามเรียมารอุปสรรคนะขึ้นมากลากัน้นแม่อแต่แล้วผู้เจ้าชนะมารตันนั้นบด้แต่อกปีกันการสังหาที่ น, นไปเรื่อยๆนี่มารไม่โคลงอะไ แต่คืนจะจัดเต้นุ่นมานมามาในกองทัพนี่นาน่าคิดตรงว่าเขาสร้างไว้เพื่ออะไรมีความหมายลึกลึกยงเนีเพราะว่าอันนี้คำตอบของเพราะว่าการปฏิบัติช่วงหกปีเป็นการปฏิบัติทุกผิดมานมันอะไสาใจมันอะไใช่ยหมวะาไม่เคยต้องยุ่งปล่อยให้หลงเหรอนทับย่าอะไร ทีนี้ผมคืนใต้ต็นท์โพนั้นท่จับถูกทางมานมาเลยไม่ได้เว้นไม่ได้กรณีต้องกผจนซะหน่อยแล้วก็ได้ข้อคิดว่าเมื่อพระเจ้าเดินถูกทางแล้วพลังพุท ธ, ธเจิโตขึ้นมาพลังของกิเลสตัณหามานนะก็เอาเรื่องเหมือนกันโตตามเหมนกันต้องสู้ต้องปราบลาว แล้วสองกลุ่มพลังเนี่ยพ อ, พอกันตอนหัวค่ำพระเจ้าก็ถูกมาเรียกมารตะจนเหมมารเราชนะพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าเอาชนะมารไม่ได้นาะมันกำลยสู้กันอยู่อุกกาลาที่สามก็เอ่ยถึงพลังที่สามแม่ธนี่สำคัญนะความสำคัญเหตุการณ์ช่วงนี้นะครับถึงกับบวดไท ย, ยสร้างเทนีขึ้นว่าสกัด ด้านที่ตัวนอกกับด้านในเพราะว่ารูปฝฟังจนมาสามกลุ่มพลังสู้กันเมื่อเราไม่เจริญสติหรือเราสติขาดเราสบายคือมานมันชอบ <c oughs> เราหลงทางเทไหร่ยิง่งไปไกลๆแล้ว ม, มันจะไม่มีครับเพราะเรเห็นปัวกการจากคนบางคนที่ชอบเที่ยวเสยมา <c oughs> พอเจอเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมจะหัวลอดย้อนดีเลย ทุกอะไรกันนักกระดาก็ชอบยาวใหญ่ทีนี้ร้อนหนึ่งแม่ทอหนีแม่ทอนีเป็นพลังที่จริงแม่ทอนีนี่เป็นนางฟ้าเนี่ชื่อวสุธาหรือแปล่าแม่นมก็ได้เทพธิดาผู้ผู้รักษาโลกคื่พอพลังลึกลับของธรรมชาติมก็ลอง กับกลุ่มพลังนี้เพื่อเพื่อศึกษาผ่านปะกอณาจักพลังที่หนึ่งคือพลังความตื่นพุท ธ, ธะพงพุทธเจ้าแทนโอที่นนะตื่นเต็มที่พระเจ้ามายอมเงินตื่นเต็มที่ไม่มยอมหลับนะฮะพลังที่สองคือมารกนะิเลสตัาหาพลังของวิลวิลภาษากรีก น, นะความต้องการ พลังความตื่นคนะพลังของกิเลสตัณหาพอกันเลยครับในหัวข้อนี้พระเทียอธิบายดีมากนะ บ, บอกว่าเมื่อกิเลสมากปัญญาจะเพิ่มพูนขึ้นปัญญาเพิ่มพูนเ่าไหร่กิเลส ก, ก็แรงขึ้นดังนั้นมันสู้กันอยู่จนกว่าจะเข้าสู่สมดุลทีนี้พลังที่มาก โอ้กุ้มช่วยเหลือพจะพุทธเจ้าในะตอนคืนนั้ น, นกับการพลังที่สามพลังที่สามเข้ามาแล้วก็หมุนมารให้กลายเป็นสาวกของพระเจ้าตอนที่เข้าสถิ น, นะครับมารมานั้นถ้าดูภาพเขียนจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีท้ายมือเป็นมางกำลังคืออาวุธลุ่มทำลายพระเ้านะีแต่กวมือนี่ยกมือมีดอก บ, บวัวบูชา กิเล่างๆปรับแปลงเป็นให้เป็ น, ปนจากศัตรูเป็นสาวกไปวาองั้นเน่ยเรื่องเรื่องทั้งหมดนี้สร้างขึ้นเป็น เ, เพื่ออธิบายสภาวะขั้นตอนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเจ้าชายทีเท่าเราจะมีเหตุการณ์ย่อยนะครับซึ่งเชื่อว่าคงต้องการการอธิบายอธิบาย เช่นพระเจ้าหลังจากชนะมาแล้วมรุกินยืนเดินจงกรมไปศึกษี่ขผมผมไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเนี่ยพระเจ้าโศรับสั่งว่าช่างแกสลักดอกบวไว้สีดอกทำไมใช้สิบีผมไม่เข้าใจเลยพระเจ้าเดินแต่ว่าระยะเดินจงกรมนี่ผิดมนุษยมนาเพราะมันเป็นปุคลาลิทานแต่วาน อลู้ยืนประทับที่ใต้ตน้ตนต้นต้นโพเดี๋ยวหลังมาดูต้นโพจับสรูโดนไม่กระพิกตาเลยเจ็ดวั น, นีผมก็จะมีความหมายพิเศษประสบการณ์ทีงเข้าสู่ภาวะที่ที่อาจารย์ให้คุณเองเรียกว่าเหมือนเหมือนบุรุษร้อยอายตนะ หรือเข้าอยู่ในทังน้ําแข็งเป็นประสบการณ์พิเศษที่ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลเรือ mm hmm. ร่องเรื่องอนิมิตเจดีย์เราอยู่มึนประทับอยู่ที่นั่นสี่วันเนี่ย mm hmm. ก็มีหมอสยนเราว่าวันที่พระเจ้าจตุรุนั้นคือตอนใกล้รุ่มื่อพระเจ้านั่งสาเซนมานอนอะไรแน เหลือตดูเห็นดาวรุ่งดาวประจมเมืองพออยู่ที่โัวนกเรียกดาวประจมเมืองอยู่คือดาวพระหัศดาวสุกดาวสดครับแต่อยู่ที่ขนอกเขาเรียกว่าดาวรุ่งพอเห็นแสงดาวรุ่งนั้นสว่างสวยนะฮะแต่ผมสนใจพลังที่สามแม่ธรณีตามความเข้าใจของผคือความรู้สึกตัวนี่เองแม่ธรณีหมายถึง สัมผัสได้ความรสึกตัวเลยสัมผัสได้ยิ่งๆนี่สติสติโดยโดยภาพรวมนะหมายถวรความความรู้ตัวทั้งหมดแผ่นดินนี่เปลี่ยนเป็นแผ่นดินเลยครัเมื่อเราฟื้นฟูพลังองแผ่นดินอันนี้ไม่ไม่ใช่แผ่นดินนี่นะแผ่นดินคือความรู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวได้ยิ่งขึ้นมา ยังมีปมพิสนาอีกมากมายนะในในในเรื่องเราคำตอบท่ทำกั น, ก น, กนเพื่อพญา น, นาคมุจจรินน า, าลราอยู่ในสระมุจจรินนะีนฮะแล้ววันนั้นฝนตกหาใหญ่พญา น, นาคขึ้นแผ่คลุมพรมดูสนุกดี <c oughs> แต่พุทธวันแนวนี้นะฮะพุทธแนว ประกอบนำนั้นอาอจจะไม่ไม่สามารถเอาชนะใจคนรุ่นใหม่ได้จริงว่าไปแล้วเป็นสั ญ, ญลักษณ์เหมือนเหมือนกับสั ญ, ญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรันเป็นสัญลักษณ์ึ่งถูกสร้างให้เป็นคนเป็นยักษ์เป็นอะไรขึร้นมาเนี่รู้สึกว่าเป็นคนที่แข็งแกย่งอะไรนะมเป็นคนที่มีคำเพียน แล้วก็จะมีความสุขถ้าพู้สครู้สึกเ น, เน่รู้สึกแรคือมีความสุขรู้สึกมีเพื่อนควมรู้สึกก น, นี้จะเปลี่ยนแบบทุกขั้นตอนชีวิตตอนผมสนใจธรรมะให่นยหลับตาเห็นหน้าพ้เจ้าเลยนะเหมือนคหลักเลย แตน่นึกไม่ออกเล ย, เยนนี้นึกไม่ออ ก, กนหน้าตาเ็ังไง้างามันาภาพไม่ได้แตติหน้าตาไม่ออกจริงนะคไม่รู้ว่าหน้าตเยเหมือนกันอืมแต่ท้าว่านึกไม่ออกพยายามนึกไม่เร <laughs> พราะถ้ายังนึกออกนะมันผมว่ามันยังยึดถืออะไรงถือรูปลักนั่นครับ เขียนมากคั้งหนึ่งกังวลลูกพระเจ้ามากบางคืนหนหูฝันถึงเลยฝันถึงอะไรครับพเจ้ามาเยี่ยมแล้วอาจารย์เห็นเป็นอะไรนะทีุ่ท า, าแปลกมากรด้ว่าเห็นแต่ว่าเห็นโดยที่ไม่มีลูกเห็น้วยความรู้สึกรู้สึกพระมยพระพทเจ้า รู้เรื่องลพบลักไะัเอนิกรมอะไรเอิกรัมโฮโลกรมโฮโลกรมมันเป็นของมุสลิอิลีที่เแยกคนเป็นก้ามลับดูจะเข้าเข้าทีคล้ายในโฮโลกรัมว่าภาพสามีิตเป็นเรื่องการสร้างสรรค์อะนจิตใจจิตใจผูกพันอะไรมก็ นเนร밋มครียดสิ่งที่มันอยากเองคนนู้นมีธรรมชาติหนึ่งกนะายตัวเองตลอดเวลาแม้แต่นนคนยุ้ทรงเจ้าเข้าผีนะาการใช้ตัวเองอเไ็นสิ่งที่อยากเองที่มันไปออกในความฝัีนี้มันมันมีเหมือนกับฝันที่เราเราไม่ได้ มันเหมือนกับเราเคยเจอแล้วอย่างเงี้ยรเจอเหมือนกับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเคนอย่างนี้มาแล้วแล้วมันสิ่งที่บอกว่าเคยเจอมันคือความฝันที่เราเคยฝันยกลับไปม่าเคยเจอที่ไหนจริงมันคือยฝันนั่นเองนี้อาจารย์เป็นก็เคยเป็นครับเคยเน่ กินในฝันอย่งนึกออกอยูตรงเรือเดี๋ยวนี้ที่เป็นจิใต้สำนึกเราไปสัที่มันฝันปาแต่ทีนี้เราในอนาคตเราก็ิดเจอมันจริงริความรู้สึกเดจวูใช่มีามีัเกว่าดจวูความรู้สึกเขาอธิบายกียาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกไหมว่าเรา ไม่เคยประสบเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นต่อหน้านี้แล้วอะย่างนี้นแล้วพอเราทวนไปมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราเคยฝันมันีเออทำไมเราอ๋อที่เราเคยฝันนั่นเองที่เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้สถานที่แบบนี้คนแบบนี้ในแง่จิตวิยาเขาอาจะไม่เชื่อก็ได้เราแค่เรารู้สึกไปว่าฝันก็ได้ออแต่จริงๆเราในความรู้สึกของว่าเป็นนะครับเหมือนกับเรารู้ว่าเดี๋ยวคนนี้ต้องพูดประโยชน์เนี้ยต้องพูดออกมาอีกที อันนี้ก็อธิบายไม่ได้สรุปว่าขันน่าจะมีสองประเภทเลยแต่ทั้งสองประเภทนั้นไม่ไมไ่ข้อสรุปาตายตัวอะไรไประเภทที่นหนึ่งพกนคือฟันธรรมดาที่เราเมื่อตอนกลางวันเราคิดนึกมีนอนค้างใจข้างคาเอานอนฝันแค่นี้ไม่มีอะไรทิษ ด, ดารอะเพีเยงแต่ฝันมากก็นอนน้อยนิดน <c oughs> มีควฝันที่หนึ่งในพระรมทีเรียกว่าสุ ป, ปินะสุ ป, ปินต้องเป็นกำลังสังข อ, งอเนี่งความฝันเช่นนี้มันอาจารย์ลูกมาราข้อติบาว่าเนื่องจากนิมิตโคโจรเขก้อจิตเกืนไปเมื่อเราส่องกระจกชิดจมู ก, กไปมันจะเกิดภาพบูดเดีปาาแปลกเมือีการแปลกีก็อาจะมีแสงสวา ประกอบด้วยเป็นความบูดเบี้ยวเหมือนเหมือนเราสรงกระจกชิดเกินไปนะอันนี้อาจออกนอกเรื่องหน่อยนะในมีเรื่องปัญหาพูดถึงเรื่องกายที่จิตอาศัยความทรงจำชัดเจนนะครับเนรมิตขึ้นใหม่ตรงนี้เหมือนที่ว่าไโฮอลล์แกรมเหมือนที่พูดตอบสามิทีขึ้นมา สมัยที่เราฝึกแบบที่มันเป็นฝึกแบบลดละเลื่นะคะเก็ตจะไม่ค่อฝนก็อาจารย์เคยถามว่าหวนเก็ตนอนหลับยังไม่ค่อยฝันเลยคนะ่ะแต่พอเราพาเราฝึกฝึกเรื่องรู้ตัวเนี่ยทางเรื่องที่เราไม่ได้ลดระดั น, น้อยลงน้อยลง <c oughs> ที่น้อยลงไม่ใช่คือมันมันกินเวลาสั้นแต่ก็จะมีเยอะนะครับตอนนี้ที่ผมค่อนข้า ง, งเชื่อ <c oughs> ว่าจริงๆแล้วเรา เราจะเข้าไม่ถึงไงนะามมหาเป็ใจของชีวิตหือความสัมพันธ์ีะหว่างอะไรของเรเข้าไม่ถึงที่อธิบายไม่ได้ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันนะ่รับเพราะไมพระอรหันต์เนี่ยเวลาเดินพระดีๆที่เราเห็นที่ที่เป็พระอาหารเนี่ยทำไมเวลาดับฐันแล้วกระดูกสัมผัสอย่างงี้วิทยาศาสตร์มันอธิบาย ก่เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงหรือยังข้อผมเนี่ยสนใจเรื่องโหราศาสตร์นะครัแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ก็ค้นพบจริงๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวและและกำเนิดของแต่ละคนที่เกิดมาเวลามันเวลานั้นโยงกับการเคลื่อนที่ของดวงดาวในจักรวาลมันสามารถที่จะ ทำนายได้มันมีมันบอกได้อย่างชัดเจนอย่างที่เขบอกว่านี่คือดูแม่นนะมันก็ชัดเจนอย่างนี้นคนเขาบอกพ่อเป็นอาจารย์ที่หายเก่งหรือว่าสอนเก่งแต่ท่านก็สอนโดยหลักซึ่งซึ่งมันก็พิสูจน์ได้ว่าหลายอย่างตรงมากๆ ม, ม, มันจะเป็นเรื่องเดาหรือ เ, เรื่องไกลเคียงไมไดมีหลักเกณฑ์ที่เราอธิบายไม่ได้ว่าทําไม เหตุการณ์ <c oughs> ไหนนะก็มันจะมันจะไปขึดแกัดวงดาวด้วยท <c oughs> ี่ก็เกิดแต่พี่ไม่ค่อยได้ให้ดูเท่าไหร่มันก็เลยกวน่านั้ น, น, นแมาถึงว่าเรา ก, ก็คนดูให้คนอื่นแล้วก็สอนด้วยหลักด้วยเกณฑ์ยงเงี้ยมันจะเป๊ะๆแม้แต่วันที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้างต่างวันที่ดาวมันข้ามข้ามราศี ใช่มีทางวิทยาศาสตรก็ไม่เชื่อแต่เชื่อไม่เชื่อไปร่วมกับเป็นศาสตร์หนึ่งก็พิสูจน์ได้สตร์พวกนี้มันก็คิดมาจากคนคนนนการเก็บก็เป็นการเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามหาความสัมพัธ์มันยังเรื่องแข็งนะแต่ก่อนก็หลังก็ไม่เชื่อะมันมีทางเดินอะไรนะกะยเห็นแต่เป็นเลือดเห็นแต่เป็นหลักฐาหลังก็มาเรียนตะกี้ก็เจอตอนหลังเนี่ยนะกู้ถึงล่าสุดเนี่ย คนที่ฝังเข็มนี่ไม่ไค่อยหเยอะนะนี้ดีดีดีขึ้นตอนความรู้สักก็หลายเดี๋ยวฝังไปดีขึ้นแต่ว่าทิ้งช่วงไปอีกเป็นจนนนมีหลายหลายเข็มนะกคงแหมนกับโรคทั้งหลายนะหาหมอเรกว่าหายล้ว <c oughs> ถ้าตัวปัจจัยที่ทำให้เกิดมันยังไม่เปลี่ยนนะเขาบอกประกรันนี้นะที่พระเจ้ารับสั่งให้เรื่องคนจากความจิตปลอมอจรรย์ เพราะเราคงรู้ไม่หมดที่สุดของความเป็นไปของธรรมชาติความรีรับอันนี้เป็นของจกักรวาลเกินกว่าสมองน้อยนิดของมนุษย์ที่จะกลืนมันได้หมดได้เอาแค่เรือ่องฟากลูกได้ไหมนครับฟัก <c oughs> ลูกเราท่านแนะนำไว้เรียอเป็นเป็นขน้แนะนำเจ็มเปี่ยมด้วยความ ก็ณีพาะถ้าไม่เลี่ยงมันจะเข้าไปสู่โลกอกวิชิตอลังการประหลาดไม่รู้จักจบสิน้นแก่เราก็ยังติดตามไม่หมดะไรนี่แะแกะมันดีไม่ดีมันคิดิดทางหลงไปเรื่องอื่นหมดไปแล้วไอ้ความรู้แบบนี้เราไม่จะเป็นต้องรู้ก็ได้แต่ไม่ใช่การปฏิเสธการมนความจำเป็นกพเทียบอขขายุขของมุที่ปอกกบนโลกนี้สั้นทิ่เดียวเทียบกับโลกอายุ มาจากอายุทะเลสาบเลยมากาเราพระเจ้าเลยเปิดทางดวนให้ไปท า, ทางทางรับทางลุยาทำให้ปัญหาสึ่นสุนในช่วงชีวิตนี้อันนี้ผมว่าเป็นความปรานีเป็นความเป็นดูมนุษย์จะเสียเวลาเล่าซึ่งเป็นต้นนีแรกเริ่มที่ท่านสอบะรู้แล้วท่นคิดด้วยความอนดู พิจาณาว่าศพมีหลายประเภศหลายระดับดับที่ไม่ต้องพึ่งท่านก็มีเขาจะรู้เขาเองว่างนั้นท่านยอมแล้วบามีอีกประเภหนึ่งถ้ามด้ยินได้ฟังจะเสียหายท่านต่อรบตอนนี้ตั้งเข็มตั้งเป้าว่าต้องช่วยคนที่ที่ที่ว่านี้ทำมาแนวการช่วยเหลือ ก็จะจมปลักลงไปในสังสารวัตรกล่าได้ว่าแม้ในโลกปัจจุบันที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี้วังวนของความวิพ า, ากษ์วิจารยยังคงอยู่ไม่ได้ถูกทำลายหายไปไหนพรนติกก็ตายเลยไปเต้นนะในศึกษาาในกันใหญ่โตอย่าเดี๋ยว่าจะประสบการณ์ที่แปลกประหลาดสาจัรนะจะคุ ม, มกัมอง แสงแดดที้อัศจรรย์ที่เข้มหรือมาหัวใจเต้นตึกๆงนี้ความคิดนึกที่ปรากฏเป็นกระแสไปเื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นการหลของธรง ร, ง ร, ง ร, งรมชาตินั้นอัตจรรในโจงนึงบางคังเห็นเล็บมือเล็บเท้านี่แปลกเพราะธรรมชาติไม่ชื่นุดแต่ว่าปัญหาในจิตใจและกายขงามันช่วยได้ ผมเองเชื่อที่สุดความที่สุดของศาสนาเพราะถ้าไม่เชื่ก็เป็นความว่างเปล่าไปเลยเกิดมาแล้วก็ไม่เชื่อ่างรอดผู้ไม่เชื่อจะปิดกั้นตัวเองจนโดยความไม่เชื่อนั้นมนุษย์มีทางออกเสมอแต่ว่า ย, ยากเว้น เม่อใช้ตีปัญญาไม่ได้เช่นกรณีของเรื่องภกชาติไม่รู้มีจริงหรือไ ม, ม่จริงเราเลือก่เชื่อได้เราก็สามารถเปิดบานประตูะบานได้เมื่อเรายังไม่รู้ความจริงที่พระพุทธเจ้าท่าัเราก็เปิดหน้าต่างของศรัทาเชื่อท่านไปก่อ น, น <laughs> แม้ความเชื่อจะถูกมองว่าเป็นสิง ต, ต่อยแต่พระเจ้ามันได้มองกั น, นครับความเชื่อเป็นรากฐานที่สําคัญมากแต่แน่นอนนะครับเมื่อมันเข้าถึงตัวความจริงแล้วความเชื่อก็ตกไปเแล้วไงแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่สําคัญสำคัญมากทีเดียวพระพุเจ้าเองสอบสวนรู้แล้วนั้นท่านอย่าพึงว่าอะไรเป็นที่เพึ่งของท่าน แั้งท่านตอบตัวรูแล้วนะท่านเดินอย่างไปสู่ความผิดที่ลึกลึกกว่าก่อนแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพ่งอนเพท่านปล่อยลูกนี่จะมา ก, ก็ทราบ ว, ว่าเดินขายพยานทราบ ว, ว่าพระเจ้าองค์ก่อนเขารับธรรมพระเจ้าบอกทางนั้นพันจะถือธรรมเนียมของพระเจ้าทั้งหลาย ถ้าเราตั้งใจสอนนันเป็นระบบเรายังมีคําสอนของเอาเป็นระบบอย่างไรนะเจ <c oughs> ้าคือท่านตั้งใจจะให้มันมันอยู่อยู่เพื่อช่วนมนุษย์แล้วก็วเราท่านสอนท่านรอท่านสอนอย่างตั้งตั้งใจเคารพทำแล้วทำธรรมะนั่นเองให้เป็นที่พึ่งท่านเองด้วยเห็เนได้ชาวตะวันหนึ่งปวดเสียดเจ้าทองเสียดทอง เชิญให้พระปุณณะแสดงธรรมมาท่านฟังลองดูไม่น่าเชื่อวรพเาอยากฟังคนหนึ่งพูดทตว่าฟังแล้วท่า น, นเกิดปิติหายป่วยหายข้ามคล้ายๆมีใครมาเล่าเรื่องลูกสาวองให้ฟังเก็บเอาไว้ว่าเวลาพูทธศุลพระเจ้ากันลืกศูนย์พระพุทธเจ้าที่โอ้ ก่อนผมก็นึกถึงพระเจ้าพระองเดียวนะฮะช่วงสุด ท, ท้ายก็พระเจ้ามีความหมายเรือนสูน่บุตรทักสู่โพธิจิตอะไรก็าตามไปคไม่ค่อยได้นึกถึงรูปภาพของรองค้นั่นแต่คนที่ที่สามารถทำหลักทำสอนในอาจารย์สังคมกันมาเนี่ยมันต้องใช้ ผู้คนมามายนระจัญจริ ง, งนะนี่เป็นข้อหนึ่งค ว, ความทรงจำของผู้คนขั้นพืดีซึ่งแม้ร้อยเทคโนโลยีแบบคนรุ่นนกงปัจจุบันจะตามแต่มีความเป็นระเบียบในชีวิตมากๆเหมือน่อว่าโลกนี้เรานึกไม่ถึงว่ามีการเดินทางอย่างเข้มข้นมาแล้วทั้งพื้นดีนต้องโดยโดยเท้าเปล่า มมีระบบมีอ่อแต่เ้าไม่มีรวมเยแต่ว่าอาสายสัตยานเหลือเชื่อนะเราเราอาจจะไม่เชื่อควานนะมศรัทานะกุมารานเขาเวลาศรัทธาผมเชื่อว่าเขายิ่งใหญ่